พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าอย่าปรารถนาเลยในกรมชั่ววันนี้เป็นวันอังคารที่21 มีนาคมพุทธศักราช 2,560 พระในวัดของเรา36รูปในช่วงนี้อีกวันพุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ออกไปทำธุระศาสนกิจนะคณะาทายาทโยมผ้านเนรลูกหลานถึงยังไงให้พวกเราอยู่ตามกฎระเบียบที่หลวงพ่อสอนไว้อย่างไรแนะนำอย่างไร ผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องอยู่ด้วยกันตามกฎระเบียบธรรมวินัยไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วก็พาน้องๆไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้นะอันนี้ก็บอกกล่าวไว้แต่ก็ไม่เคยมีอะไร แต่ก็บอกไว้เตือนย้ำไว้เพื่อไม่ให้พวกเราดันเลงชลาใจเพราะในวัดของเราก็มีผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นขรรจการผู้คงแกเรียนผู้เท่าพระผู้แกคงแกเรียนและก็พระที่มีอายุพรรษาก็มากมายหลายองค์ให้ช่วยๆกันดู วัด ว, ดวดาศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเป็นของพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อคืนนี้ถ้าพวกเราทำไม่ดีกรรมไม่ดีจะตามสนองอย่างที่พระชัมภู ก, กะนะไม่ใช่สนองใครและสนองผู้กรกะทำสนองผู้คิดผู้ที่ทำไม่ถกูกเพราะนั้นเราบวชเข้ามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็อยู่ในกรอบ หลักพระธรรมวินัยกรอบศีลและธรรมจริยธรรมที่ดีเรานึกขึ้นมาเมื่ อ, อไรเราสบายใจตลอดอนันตการเมื่ออยู่ด้วยกันก็รู้ว่านิสัยกิริยามรารยาทเป็นยังไงนิสัยมีความเ อ, อืเออ้อเฟื้ออืออารออีต่อหมู่เพื่อนอย่างไร นและเป็นเชองชีวัตในขณะที่อยู่ด้วยกันอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในสำนักในเมื่อเราออกไปแล้วในต่างคนก็ต่างออกไปสู่สำนักก็จะเรยรู้ว่าครูบาของเราเนี่ยออกนอกลูก่นอกทางยังไงในขณะที่อยู่ด้วยกันเรยจะในกรอบหลักพระธรรมวิัยอย่างไรหมันขยันอย่างไรมีความ รับผิดชอบปากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเครื่องชี้นำชี้วัดในขณะที่พวกเราอยู่ด้วยกันกับครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ออยู่ที่วัดปา่าบัดดาดก็เหมือนกันเมื่ออยู่เป็นเวลาทั้ง10กว่าปีทั้งครูบาอาจารย์ทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่อยู่ด้วยกันเราก็พอจะมองออกได้ว่าองค์ไหนมีแววอย่างไร องไหนมีนิสัยกิริยาอากับกิริยาอย่างไรอยู่ในกรอบมันขยันช่วยการงานมากน้อยแค่ไหนรับผิดชอบยังไงเราก็มองดูรู้กันในขณะที่อยู่กับครูบาอาจารย์นี้หลวงพ่อคิดว่าคงไม่แพ้กันดังนั้นขอให้พวกเราพระลูกหลานทุกองนะอยู่ในกรอบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย แต่หลวงพ่อวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ออกไปแต่เช้ามืดรับนิมนต์มทบ24ข่ายประจักษ์ศิลปาคมที่ท่านผู้การหน่วยพลตรีอำนวยก็ท่านนิมนต์นะไปสวดมนต์ให้เข้า่าเป็นครบครบรอบอะไรของข่ายเนี่ยและแล้วก็พร้อมกันก็จะมีการเปิด เปิดป้ายที่หลงพ่อไปวางาไปวางศิลเลิก์ร่วมกันกับนายทหาราที่ทำป้ายขึ้นมาป้ายาทหารค่ายประจักษ์ิลปาคมแต่ก่อนเเป็นป้ายธรรมดาแต่ด้พอทำขึ้นมาหมดใช้ค่าใช้จ่ายเป็นหินก็คงจะใช้เงินพอสมควร ห น, นังเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็จะได้ไป ส, สวดมนต์ฉันเช้าจากนั้นก็จะได้ทำพิธีเน่ น, นะทางศ า, ศาสนาจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะเข้าไปบัญญัติแซวไปดูงานตอกเสาเข็มก่อนงานตอกเสาเข็มเขาไปได้เรื่อยๆอฟังรถ้ตาเป็นที่พอใจ เดียวนี้ก็ทราบว่นใดทั้งหมด500 540แล้ว50กว่าต้นเลยละก็ได้มากอยู่ตอกไปเรื่อยๆเสาเข็มเจดีขององค์หลวงตาก็ยังไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องที่จะตอกทั้งหมดพันสองร้อยห้าสิบเอดต้น เรื่องทุนเราก็ระดมทุนก็นเพียงพอเอสาเข็มแต่ในกรมการนั่นหนะล่รอเสาเข็มก็ตอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวนีนกก้กำลังสรรหากำลังกําลังสรรหาผู้รับเหมาใหญ่ที่จะมาสร้างเจดีสาราลายพิพิธภัณฑ์สามจุดน่หท่านฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายทางบนข้างล่างทุกคนผู้เกี่ยวข้องนะกำลังปรึกษาปรรบกัน แต่หลวงพ่ออยู่วงนอกมีแต่ข้อหลวงพ่อก็มีแต่คอยฟังถ้าว่ามีอะไรหลวงพ่อก็สนับสนุนในจุดนั้ น, น, นเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาสรุปแล้วก็คืออยู่ในแนวความคิดอยู่ในสายตาอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาที่วัดป่าบัานตาดนะ นั้นหลวงพ่อจึงให้ความใส่ใจไปที่ไหนก็แวบไปดูแล้วก็พร้อมกันวันพูุนี้ก็คงจะบินลงกรุงเทพอีกไปงานศพของคุณวันเพนชาญ ว, วิเศษแฟนของคุณหลวงก็น่าสลดใจ หนะลวงพ่อก็ไปฉันที่บ้านของท่านจิตโภษณาปากแมบแอบพอไปครั้งสุดท้ายก็ทราบว่าท่านไปตรวจเป็นตัวมอมะนยะอยู่กระดูกสันหลังคงจะปวดพอสมควรอนะ่ะไปเยี่ยมท่านอยู่คราวที่แล้วพอกลับขึ้นมาก็นะ่ะมันเป็นอาการขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่แหละ ร่างกายสังขารคณาตัททายญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมกันขึ้นมาจากกรุงเทพคงจะมีไปชมุมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพอหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นที่ดูแลดูแลพระสงฆ์หลงพ่อเป็นมาอันนี้เป็นสมัยที่สามแล้วนะลูกหลานนะ เป็นครั้งละสี่ปีนี่เป็นสมัยที่สามหลวงพอ่อคงไม่ไหวละคงที่สี่ก็คงจะยกทงขาวละแต่ตามไม่จริงก็ยกทงขาวแต่รถแรกแล้วล่ะพอรถแรกก็ยกทงขาวแต่บริวารลูกน้องคณะกรรมการไม่ห้ยกหลวงพ่อก็ติสู้ต่อไปนี่แหละจะมีการประชมุมวันที่ยี่สิบสี่วางแผนที่จะหาทุนให้กับ ดูแลพระสงฆ์หาทุนเพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีนะก็คงจะเป็นเดือนมิถุนาอย่างเก่านะปีที่แล้วก็ได้ปัจจัยหกล้านนะดูแลพระสงฆ์แต่ว่าไม่พอนะทราบบ่าไม่พอเกี่ยวกับอะไรที่ใช้มาขนะั้นคือตัวหมอมะเนี่ยตัวมะเร็งนะ่ยราคามันแพงมากยาพระสงฆ์เข้าไปก็ต้องได้ใช้ยาเม็ดหนึ่งเป็นหลายเงินเพราะนั้นเงิน ปีก่อนๆก็พอจะหาทุนเข้าไปแล้วก็พอจะพักผักเข้ากองทุนได้ผักเข้าโมนิที่ได้แต่ปีนี้รู้สึกว่าหนักหนาพอสมควรแต่ว่ามีกลางปีมีคนระดมเข้ามาก็ช่วยได้ได้เยอะอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะได้ประชุมวันที่ยี่สวันที่ยี่สิี่เส็จแล้วก็คงจะไปงานของคุณแม่ชีแก้วสวดมนต์เย็น วันที่ย5ส้าตอนเย็นแล้วก็มีทมพิธีทาฟังธรรมเทศนากันหนึ่งวันที่ยี่สหตอนเช้าบินทบาทเพราะนั้นลูกหลานทุกคนที่จะยินเสียงหลวงพ่อนะ่จะไปร่วมทําบุญหรือประจังโรงทานไปทําบุญงานของคุณแม่กับไปได้นะทุกคนนะนะ่ะไม่มีการไม่มีบัตรไม่มีบัตร ผู้เด่ได้รับทราบพระรู้รับทราบที่รักเคารพในคุณแม่ศรัทธาในคุณแม่ได้อ่านประวัติของคุณแม่อยากจะได้บุญกับคุณแม่ปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่พวกเราจะต้องได้ไปร่วมกันลำลึกถึง เ, เย็นวันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบห้าเย็นสวดมนต์เย็นฟังธรรมเทศน า, าวันที่ยี่สหกเช้าบิณฑบาต ถวายจตุปัจจัยไทยธถามพระสงฆ์ตามปกติพระสงฆ์ก็ประมาณร้อยข้อองค์อยู่นะเกือบ200องค์แต่ละปีแม่ชีเยอะนะชีก็เยอะที่มาร่วมเพราะเป็นเป็นอาจารย์ของเขาเป็นครูของเขาที่เป็นคุณแม่ชีแก้วเรียกว่าเป็นตระกูลของชีก็ว่าไดา้ที่ได้รับความยกย่องหรืออะไได้การได้รับการรับรอง จากอง์หลวงตามหาบัวที่ท่านบอกว่าแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นทางด้านจิตใจท่านรับรองเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานก็เออเอาลำลึกถึงสร้างบุญสร้างกุศลเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆเนีนะ่อันนี้ก็คือเป็นการสร้างบารมีส่วนหนึ่ง บาร ม, มีบุญกุศลควรสั่ง ส, งสมควรสร้างเก็บหอมลอมริบไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนนีถ้าสร้างกรรมมันก็กรรมติดพพติดชาติเหมือนกันนะกรรมชั่วนะสัมภูกะที่ท่านทำกรรมชั่วในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะจากนั้นก็ต้องตกหมกไม้ในนรก พอพ้นขึ้นมาแล้วก็ยังมาเกิดก็ยังได้รับกรรมอีกทั้งที่ท่านจะได้เป็นพระอรหารในชาตินี้บุญบา ร, รมีของท่านก็ไม่ใช่น้อยเลยมหาศาลมากมายแต่วากรรมชั่วนะมันหนักแต่ก็ต้องได้รับกรรมไปก่อนจากนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าเป็นผู้มีบุญบา ร, รมีพระองค์จึงได้ไปปรด ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระราหานนะอันนี้ท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วเป็นพระมหาเถระท่านหนึ่งนะแต่ท่านได้ใช้กรรมกรรมคำนี้าว่ากรรมกรรมคานี้เป็นคากลางนะคาว่ากินกินก็เหมือนกันเป็นคำกลางไม่รู้ว่ากินข้าวบ่กกินน้าบวกกินของเผ็ดของเค็มของหวานเขาว่าเอาเพิ่มเข้าไปอีกนี้ก็เหมือนกัน คำว่ากรรมคนนี้เป็นของกลางเมื่อเราทำกรรมชั่วเรียกว่ากรรมชั่วให้ผลทากรรมชั่วเมื่อเราทำกรรมดีกรรมดีก็ให้ผลระว่าทากรรมดีกรรมดีให้ผลทำกรรมดีในชีวิตของมนุษย์เมื่อเราทำดีเกิดมานะ้ทำกรรมดีเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กดีรู้จักบุญคุณของพ่อแม่จากนั้นก็ตังอกจางยใจเรียนหนังสือ ตั้งก็ตั้งใจเรียนหนังสือหมั่นขยันไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ให้ใครทุกข์กิริยามารยาทดีเราทำดีในเมื่อจบการเรียนการศึกษาแล้วเข้าไปทำงานก็ได้งานดีมีมู่เพื่อนฝูงที่ดีจากนั้นก็ตั้งใจทำงานอย่างดีและก็ผลเงินที่ได้มาก็พอเหมาะพอเป็นไปได้จากนั้นก็เลี้ยงชีพ มีครอบครัวรู้จักรับผิด ช, ชอบในทางที่ดีไม่ทะเลทลายอันนี้คือดีคำว่าดีคำนีำ้เป็นลักษณะอย่างนี้เรา่าดีเลยเอวหน่ยเป็นยังไง เ, เกิดมาขนาดนั้นเอาตัวอกแต่ใจตั ว, ต, ว, ต, ว, ต, วตัวเองเอพ่อแม่อยู่ด้วยความลำบากร้องไห้ทั้งวีทั้งวันผล้วยสดเนี่ยเนี่เม่อใหญ่ขึ้นมากตขี้เกียจเรียนหนังสือพ่อแม่โอ้พอแรงโอ้จนพอแรงก่อจะเข้า อกเข้าใจในการเรียนพอเรียนก็ตะเลถลายไม่จบอีกต่างหากทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเพ้อเผอพ่อแม่ยังไปมองอยู่หน้าคุกหน้าตารางอีกต่างหากนี่แหละชั่วมันเป็นอย่างนั้นแหละเกิดขึ้นมากิดชั่วมาโดยตลอดอดีกิดชั่วมันเป็นยังไงนนในปัจจุบันและอนาคตล่ะกรรมกรรมของมันะกรรมที่การกระทําทั้งสองอย่าง มันจะให้ผลในอนาคตตัว น, นั้นมันอนาคตกับอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยถ้าเราทํากรรมดีมาตั้งเด็กกรรมดีก็ให้ผลไปตลอด เ, เมื่อลมหายตายจากไปพี่น้องศรัทธาญาติโยมเพื่อนฝูงก็ให้ความสําคัญ เ, เห็นไหมนะอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ยท่านทําดีมาตลอดเมื่อท่านสวนไรรคารายไปแล้วน่ะพระศุกนิกรก็แห่เข้าไปไปกราบจรีละ ของท่านไม่รู้กี่ล้านทูกกี่ล้านคนนี่แหละดีเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเลวละจะเป็นไงเอถ้าคนความทําความชั่วตายไปแล้วนะ่ะใครๆก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวเขาจะเห็นหน้าว่าเป็นญาติพี่น้องญาติโกโหติกาเคยทําความชั่วมาด้วยกันหรือเปล่าพวกนี้หนะ่อยไม่มีใครอยากจะเข้าไปใกล้เพื่ออนะไรเนี่ยเขาความชั่ว ความชั่วใครๆก็กลัวใครๆก็ไม่พึงปราถนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นก็ให้เตือนให้มองดูตนเองพยายามประกอบสังสมกรรมดีเข้าสู่จิตใจกรรมชั่วกรรมที่ทาทันไม่ไม่ดีนะั้นมองดูแล้วพอะจะปรับปรุงแก้ไขได้ก็เอาปล่อยปละละวงังในจุดนั้น ที่กรรมที่มันกับชั่วนะั้นเมื่อทําเราทํากรรมดีตลอดกรรมดีก็จะให้ผ ล, ลเราไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดในเมื่อเป็นผู้น้อยก็ได้รับคําไว้วางใจจากครูบาอาจารย์จากหมู่จากเพื่อนในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาในระดับทําการทํางานก็เป็นที่ยอมรับ ของหมูพกเพื่อนไว้วางใจในการวางแผน ง, งานการทำงานร่วมกันในเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าก็เป็นที่ยอมรับของลูกน้องบริวารศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องผู้จารพาทีก็เป็นที่ยอมรับพระเคารพกันเพราะเป็นคนดีมาตลอดทำกรรมดีมาตลอดเสียงเ่านี่แหละกรรมดีให้ผลถ้าทากรรมชั่วให้ผลก็อย่างที่ว่า เพราั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะทำดีไม่ได้ดีมันไปที่ไหนใครผลคนพูดอย่างนั้นมีแต่คนโง่เท่านั้นแ่ะทำดีไม่ได้ดีทำดีมันต้องได้ดีจะไปได้ชั่วได้ยังไงทำชั่วได้ดีมีถมไปใช่คนมองไม่เห็นในเมื่อเขามองเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหอะไปเอาผลงานของคนอื่นบัง ไปขโมยของคนอื่นบ้างมันมีเจ้แยะความชัวนะ่วแต่ได้ดีไปขโมยของเขาเนะ่ยเมื่อเขาจับไม่ได้ก็เนี่ยตัวเองก็งว้าเลาะแห่่แเพราะอะไรเพราะได้ของมาฟรีไปขโมยของเขามาแต่เมื่อไรเขาจับได้ไล่ทันเมื่อนั้นละ่ะเอาเถอะถึงจะเขาในจับ ไม่ได้ได้ไม่ทันในเมืองมนุษย์แต่เมื่อตายไปแล้วนั่ะนะแยยมพอบานเขาจดบันทึกเสหนังหมาเน่าไว้แล้วตายไปเถอะดีนะะเจ้าว่าเจ้าฉลาดใช่ไหมเจ้าทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพญยายมพญาย ม, มีหนวดด้วยมีดัวด้วยหญิงเขี้ยวสิด้วยนะเนี่ย มีแตพ่พดด้วยเนี่ยการทำของเจ้าเมื่อวันที่เนั้นทนี้เดือนนั้นเดือน น, น, น, นี้จริงไหมมีแต่ปนมมือใส่พญายมพบานนะโกหกพญวะโกหกพญ า, า, ายมพระบานไม่ได้นะเพราะตัวเองทำกรรมชั่วแล้วเนี่ยพญพญโยมเล ย, นะ ย, ย, ย, เลยเอา้าวเมื่อทำกรรมชั่วไปทหารยมรโทษลงปรโยนลงนรก ทหารโยมมาทั่วก็ต้องหิ้วปีกไปโยนลงนรกไงล่ะคนชั่วมันเป็นอย่างนั้นแหะจะว่าตัวเองฉลาดในมวลมนุษย์ก็เถอะแต่มันปิดโยมพะบานไม่ได้หรอกนี่ก็เหมือนกันนะพวกเราทุกๆ ท, ท่านใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็เถอะถึงข่าวแล้วมันถึงเสมอกัน ก, นกน็คือความตายความตายไม่มีใครที่จะ ยิ่งย่อนกว่ากันถึงจะมั่งมีสีสุขร่ํารวยขนาดไหนสติปัญญาเสียบแหลมขนาดไหนแต่ผลในสุดเสมอภาคก็คือความตายให้พวกเราคิดเอาไว้ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้แต่เมื่อตายไปแล้วมันต่างกันบัดเมื่ออยู่นกก็ต่างกันเมื่อตายไปก็ต่างกันมันต่างที่ตรงไหนหลวงพอ่อต่างที่กรรมดีนั่นแหะกรรมดีคือการกระทํา มืออยู่เมืองมนุษย์ก็ดีสร้างมาเป็นเด็กดีเป็นคนดีมาตลอดแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันโดยตลอดอย่างในหลวงของเราเป็นคนดีท่านเป็นคนดีพระองค์เป็นคนดีเป็นที่ยอมรับแะเมื่อออกจากพบนี้แล้วก็พระ อ, องค์ก็ต้องได้ดีเพราะอะไรเพราะพระ อ, องค์ทาดีมาโดยตลอด ถ้าคนทํากรรมชั่วล่ะอย่างว่าออกจากชาตินี้ไปแล้วก็เขาจะต้องจับตกนรกอเวจีซะก่อนเอาไปชบซะก่อนจากนั้นขึ้นมาเกิดก็มาเกิดกับเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ทีรักฉานนีะก่อนก่อจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นมนุษย์อกีกเพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อทําแล้วกรรมชั่วให้ผล ในชาตินี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมามาโดยตลอดเป็นยังไงกรรมชั่วให้ผลกรรมดีให้ผลเป็นยังไงพวกเราคุพโจะมองเห็นได้ขนรอบด้านโลบรอบข้างของเราถึงเราไม่ต้องมองข้ามภพข้ามชาตอมองในปัจจุบันนี่ก็คงจะรู้ได้นะกรรมดีกรรมชั่วเพราะนั้นพวกเราอยู่ในกรรมบอกเกิดแห่งกรรมคืออะไร เจตนาหังพิกเเวกัมมังวดาม่คือเจตนาเป็นหลักเนี่ยบอกเกิดแห่งกรรมถ้าคิดจะทำอะไรถ้าทำาดยเจตนานั่นแหละ บ, บาปกรรมหนักถ้าไม่เจตนานะละหลวงพอ่อไม่เจตนาก็ผิดเหมือนกันมันเราคว้างก้อนหินเราคว้างค้อนไปนะมันไม่เจตนาแล้วแต่เขาไปอยู่ในมุมหนึ่งอยู่ข้างฝาหนึ่งอยู่ข้างข้างกาแพงนละ ค้อนไปถูกหัวเขาก็เจ็บไหมเขาก็เจ็บเหมือนกันอา้าวผมไม่มีเจตนานะอแต่ไม่เจตนาก็จริงแต่แตะแก่คว้างไปทําไมจึงไปคว้างไปนะมันผิดท่าไม่รู้ไม่เห็นทําไมไปคว้างไปอหมมันผิดนะผิดกฎหมายเมื่อผิดกฎหมายอะไรทำไงไปคว้างใส่หัวเขาก็าต้องปรับไหมใส่โทษนะจะไหนถ้าถึงเขาตายตายแล้วไม่ตายโ ด, ย, ย, ด, ย, ย, ด, ย, ดยการกระทําโดยไม่เจตนาเอาค้างคุกไว้ซะก่อน ต่อไปอย่าทําอีกกว่าจะคว่างค้อนคว่างไม้ไปที่ไหนต้องมองทุกคนมันมีอะไรทําไมไปคว้างไปทําไมแอบคว่างเขาป่าเข้าดงคว่างข้ามกําแพงเนี่ะใครจะไปรู้อยู่คนอยู่ที่นั่นไปทําได้ยังไงฮอมันพิษจับเขาคุกไว้ก่อนแต่ว่าโทษไม่หนักเท่าไหร่ต่อไปอย่าทำํำนี่แหละจะุบแล้วก็คือกรรมคือการกระทำํำ จุดนี้เนะี่ยให้พวกเราศึกษาดูให้ดีเพราะนั้นการอยู่นักทารนที่ใดเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเราก็เป็นผู้คิดดีทำดีพูดดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นแหละถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอย่างท่านสัมผูกาท่านสัมพูกาขนันวันตีเด็กบา ร, รมีของท่านแก่กล้าท่านจะได้สาเร็จเป็นพระหานในชาตินี้อยู่แล้ว แต่ขนาดนั้นท่านยังได้ใช้กรรมเสอ้โ อ, อน่าอดสูดูได้เหมือนกันนะพกเราคิดดูสิคิดดูสิที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังมเมื่อคืนเนี่ย น, นะมันน่าคิดเหมือนกันนะอะตอนน่อในไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรในตนี้นะ